เรื่องการบวชคืออะไรโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนอบนอบ้นอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้บริมิผ่านนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียรกล่าวขอ้อมนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคล ความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติยาโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฟในธรรมพูดสแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฟบุญไฟ่บุญสนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพาวันนี้ได้มาถึงแล้วอีกวันหนึง่งญาโยมพุทธบริษัทที่อยู่ตามบ้านนอกก็คงจะได้ยินเสียงกองแรงเสียงกลองดึก ตีตั้งแต่เช้ามืดลวงตวลงปู่หลวงตาหลงวงพี่ลหลวงน้าพระหนุ่มเนนน้อยประเพณีโบราณทางอีสานของเรายังตีข้องตีกองตีระครังกันเ ย, ยอะตีในวัดบ้านส่วนวัดป่าก็แล้วกันไปเป็นเครื่องเตือนบอกเตือนจิตส ก, กิดแจว่าวันพระมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องทำจิตใจ ให้มีความเป็นโยกใกล้เคียงกับพระพระเข้าใจง่ายๆคนโบราณมักจะพูดบ่อยๆว่าแพร่เป็นพระชนะเป็นมารจะได้แพร่ภาษาอีสานเราแต่ว่าเก่ง <c oughs> ถ้าว่าบอแพร่เลวก็แสดงว่ายอมแต่คําว่าแพร่เป็นพระชนะเป็นมารอะไรคือแพร่อะไรคือชนะที่ยอมยอมได้เป็นพระ ถ้ายอมไม่ได้จะชนะลูกเดียวจะเป็นยักษ์เป็นมารยอมใครไม่ได้ก้มห้หยใครไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องตึงตังกันทั้งตาปีเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันที่เราจะต้องยอมยอมให้อภัย ยอมขาดทุนยอมเสียเว ล, เวลาถึงแม้กับจะต้องยอมนั่งฟังเทศทางสถ า, านีวิทยุให้เวลามันผ่านไปแต่ฉันจะยอมเสียสิ่งนั้นจะจะทําความเข้าใจสิ่นี้ก็ยังจะเป็นพระไม่น้อยชีวิตก็จะไม่เป็นมันวันพระในเวียนมาบรรจบครบรอบเดือนหนึ่งสามสิบวันวันพระมีไม่เกิน หสี่วันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจัดให้มีการแสดงทำเดือนหนึ่งสี่ครั้งนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาตนาของพวกเราในสมัยยุคปัจจุบันแต่มีความสนใจจะฝ่ายฟังแล้วก็ไม่อยากไม่เย็นไม่ต้องเสียเวลามเวลาไปวัดไปว่ า, วาเอาวิทยุมาตั้งไกลๆทำอะไรทำนาทำการทำงานฟังไปด้วยก็ได้ง่ายสะดวกสบาย ฟังไปพิจารณาไปทามันมีเหตุมีผลทนต่อการพิโสกเกื่อกูลไปด้วยประโยชน์เราก็เอาไปคิดไปไินิปินนาะประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้วันพนวันนี้ก็อยากจะเ ช, ชวนท่านพุทธศาตนะแกนชนตั้งหลายให้กำหนึงถึงเรื่องราวของชีวิตและสังคมที่เราเป็นโยู์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้สมัยนี้ เป็นตําแหน่งที่เราได้เกิดมาร่วมโรคร่วมชะตากรรมในศาตนาบ่ายคอยค่อนพุทธการต่แล้วสองพันห้าร้อยผ่านไปเดี๋ยวนี้มันค่อนนะคพวกเรายังมีบุญนะได้เกิดมาพราะพุทธศาตนาพ่อแม่ยังเลี้ยงลูกลูกเต่าบางคนยังเชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จ ย, ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์บ้านเมืองยังพอมีระเบียบวิ น, นัยไม่บุ่นวายเหมือนกับบ้านเอ่อเมืองอื่นถึงจะทะเลาะเบาะแวงกันบ้างอะไรต่ออะไรกันบ้าง ก็ยังถือว่าเป็นส่วนดีในน้องเลือดไม่เข็นไม่ฆ่ากันบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยอำนาจแห่งศาสนาแต่เราทั้งหลายในสมัยนี้เกือบจะลืมเกือบจะมองข้ามศาสนาไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เราได้กินมูลมังสังขยาจากศาสนาคือความสงบร่มเย็นที่ได้เห็นอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้มีอำนาจมาจากศิลธรรมในทางศาสนานั่นเอง คนไม่รักกันคนไม่คดโกงกันคนไม่เข็นฆ่ากันคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพราะอำนาจแห่งสัตนาแต่ส่วนที่รักขโมยกันเข็นฆ่ากันคดโกงกันเอารัดเอาเปรียบกันนั้นเพราะความไม่มีสินธรรมไม่มีสาตนาเราก็เอาคนบุคคลเหล่านี้มาดูคนชั่วกับคนดีอันไหนมันมากคนดียังมีอยู่มากอยู่ มากกว่าคนชั่วจึงพออยู่กันได้ถ้าคนชั่วมีจํานวนมากกว่าคนดีอยู่กันไม่ได้แล้วเดือดร้อ น, นวุ่นวายเหมือนประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่ น, อนเอาแล้ววันพระวันนี้มาถึงก็ควรจะได้คิดถึงชีวิตของเราว่าโอ้เป็นบุญเป็นลาบเนาะพระพุทธเจ้าท่า น, ายยานว่าอย่างนี้ควรพิจณาอย่างนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่มาถึงวันพระแล้วเราควรจะได้ช่วยโอกาสสร้างคนงามความดีเอาไว้ ชาตนี้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่โนกยังมีไร่ยังมีนามีลูกมีล้านยังพอได้อยู่ได้กินมีบ้านมีเรือนไม่ควรจะน้อยออกน้อยใจว่าเป็นคนทุกข์ยากลำบากเรยหยิบสร้างคุณงามความดีเข้าเถิดวันพระมาถึงอย่างน้อยเอี่ยหูลงฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตามก็จะเป็นการดี พอพูดถึงเรื่องการทำบุญตนต่างหลายก็ตกใจอยู่เรื่อยว่าพระในขึ้นตนก็จะชวนทำบุญทำบุญก็นึกถึงการให้ทานเสียเงินเสียทองเอี่ยเพิ่งตกใจเลยบุญตั้งสิบอย่างทางนำมาซึ่งบุญที่พุทธเจ้าสอนมีการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นที่จะต้องเสียเงินเสียทองนอกนั้นไม่ต้องเสียเลยทานสมัยบุญสุเสรดโดยการบริจาคทานสินสมัยบุญสุเสรดโดยการรักษาสินภาวนาสมัยบุญสุขเสรดโดยการอบรมจิตใจของตนเอง ให้สะอาดสว่างสงบอัปจีนามัยบุญสําเร็จโดยการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลับผู้ใยไม่แข็งกระด้างต่อเพื่อนต่อฟุ้งไม่ทําให้เขาเป็นทะซังจะเป็นบุญเวียมะจะไม่บุญสําเร็จโดยการช่วยค้อนควายในกิจที่ชอบจิตอันจะดีแต่งานเพื่อนฟุ้งมีการมีการมีอะไรพอจะช่วยก็ช่วยเขาเวลาเราเขาก็มาช่วยเรานี่จะเป็นบุญ ปติทานไมาบุญสเสร็จด้วยการให้ส่วนบุญสร้างคุณงามความดีอะไรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมีคุณงามความดีอะไรช่วยแนะนำคนอื่นอะไรต่างๆพวกเนี้ยปัตานุมโมทนาไม้บุญสเสร็จด้วยการอนุมโมทนายินดีด้วยกับคนอื่นสร้างคุณงามความดีไม่เป็นผู้มีอิจฉาตะลอนจิตใจเราก็เยียดเย็รรนทำมาสวัสดนาไม้บุญสเสร็จด้วยการฟังธรรมอย่างในขณะนี้กําลังเปิดไปทีฟังมันก็จะได้บุญจิตใจสบายในขณะฟัง ต่อไปก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะเอาไปคิดไปประพฤติปฏิบัติเราเป็นบุญทําให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตทำมาเทศนาไม้บุญเสุริยดวยกา ร, รแสดงธรรมเหมือนผู้ดีกําลังเทศกําลัง ท, า ค, งทาความเข้าใจแจมแจ้งให้คนอื่นได้เข้าใจโดยผูกก่อจาในสิ่งที่เป็นสิ้นเป็นธรรมสุดท้ายที่ถูชุกกรรมกลางกระทาความเบ้นให้ตรงมีความเบ้นให้ถูกให้ต้องรู้จักบาปบุญคุณทร่วบประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ู้จากดีจากชั่วจากหางจากหัวจากช่วยจากดีอย่างนี้ เารียกว่าทิฏฐุชูกรรมทำคํ า, คาเพนให้ถูกต้องนี่เป็นบุญสิบอันในจํานวนสิบอันมีอันเดียวที่จะต้องเสียเงินเสียทองที่จะต้องเสียสละนั่นก็คือทานหน้าไหม่ส่วนอีกเก้าไม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะฉะนั้นวันพระมาถึงนี่จะเอาสักไม่ก็ดีเอาทําสวรรค์ไมอย่างวันนี้กําลังฟังทำอยู่ก็เป็นบุญขอให้เข้าใจอย่างนั้น ย่าพามาชาตินี้เกิดมาพราะพุทธศาสตนะเป็นคนตามไม่บอดหูไม่นวกไม่หงอยเปียกเสียขาอย่างนี้นับว่าเป็นบุญแล้วมีชีวิตยืนยาวอยู่ป่านนี้จะตายเมื่อไหร่ไม่ทราบพระพุทธเจ้าให้บ่าวว่าชีวิตของคนเรานั้นจะยืนจะยาวจะสั้นไม่มีปัญหาคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่อายุยืนหรืออายุสั้น อายุยืนยาวป่าเปล่าไม่ได้สร้างคุณงามความดีโยจะวสตังชีเวทุสินโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตตังเรโยศิลวันตัสชาญโนโบุคคลใดประพฤติชั่วไร้ไม่มีความคิดถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี <c oughs> ชีวิตของเขาก็ไม่มีประโยชน์หาประเสริฐไม่ส่วนบุคคลใดมีศีลควบคุมกายวาจามีมความคิดที่ดีมีเหตุมีผล แม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่ากันกับผู้มีชีวิตอยู่ร้อยปีนั่นเห็นไหมคนข่าของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่สร้างตนเองให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองในบางคำพงก็บอกว่าโยจะวัสตังชีเวกุสีโตหินวิริโยเอกาหังชีวิตตังเสซโยวิริยังอารัพโตหัง บคุคคลใดเกียรติเขามีความเพียรซ้ำนั่นมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตก็หาประเสริฐไม่ส่วนบคุคคลใดมุ่งหน้าทําความเพียรอย่างมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าเห็นไหมตัวที่ทําความเพียร น, นี่ยังมุ่งหมายไปถึงการบวชด้วยบวชมาสามสิบปีสี่สิบปีไม่เคยทําความเพียรสามาธิภาวนาไม่เคยศึกษาอยู่ไปยินไปวันหนึ่งหนึ่งเรียกว่า กุสีโตหีนะวิริโยกุสีโตนี่ขีเกียจขี้เกียจฮีนะต่ำวิริโยความเพียรต่ำซ้ำขี้เกียจในโยจะวัสตังชีเวมีชีวิตอยู่ร้อยปีกุสีโตหีนาวิริโยเป็นผู้มีความเพียรซ้ำเป็นผู้มีความขี้เกียจ เอกหังชีวิตตังเสยโยมีชีวิตจุวันเดียวดีกว่าเวรยังอรัปโตทันหังเมื่อปารกความเพี้ยนเป็นผู้มีความเพียนประเสริฐกว่าบางครัง้งท่ก็บอกว่าโยจะวัสตังชีเวอรัปเตยธรรมมุตตมังเอกหังชีวิตวตังเชอเสยโยปัตสโตธรรมมุตตมังมีชีวิตจุร้อ ย, ยปีแต่ไม่ปรากฏเพ็นธรรมคือความจริงของธรรมชาติ ืมสู้พวมีชีวิตอยู่วันเดียวที่เห็นทำรู้จักความจริงรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงของทุกคนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกจนตนเองไม่มีปัญหาอะไรเลยมีชีวิตอยู่วันเดียวอย่างดีกว่างานวันพระนี่มาถึงควรจะได้คิดบัญชีแล้วเนอะพออายุเยยยามาขนาดนี้มันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่หรือมีแต่การขาดทนยังไม่ตายตกในโลกก่อนตกในโลกก็รีบตั้งตัวไปฮะ ใจและรีบตั้งตัวไปตกนรกเลยเพราะไม่ได้สร้างคนงามความดีและสร้างแต่ความชั่วร้ายเอาไว้เพราะนั้นวันพระมาถึงก็จงคิดใจดีย่าได้ประมาทในเรื่องราวของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เป็นคนไม่ประมาทอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อพราอชีวิตที่เหลืออยู่นี่ยังไม่สายเกินไปวันนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างคนงามความดีให้แก่ชีวิตของเราได้ท่านากล่าวอย่างนี้ คนเราพวกเรามักจะประมาทตนเองยังไม่แก่ก็ประมาทตนเองไม่เจ็บไม่ไข้ก็ประมาทตนเองยังไม่ตายก็ลืมว่าตนเองจะต้องตายเลยไม่สร้างคุณงามความดีในเหวติดทั้งนาซีนังณสยานังนับปัตตะคุงบุคคลแม้จะนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ก็ตามจะมัวประมาทอยู่การเวลาไม่เคยลืมเราเลยมันไม่เคยประมาท ตสมาอิทธชีวิตเสศเสเพราะเหตุฉะนั้นแหละชีวิตที่เหลืออยู่กิจจาการโรสิยานโรนจะมาเฉทีจงรีบสร้างรีบกระทำจิตอันเดียนงามให้แกตนเองจะได้มัวประมาทพูดง่ายว่าพวกเรานี่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะหลับจะตื่นจะไปไหนมาไหนขอดน้ำเรามักจะลืมมักจะประมาทลืมตายคนโบราณว่าลืมตายแต่ความตายไม่ได้ลืมเรานะ เราจะไปไหนก็าตามเราจะนัง่งจะยืนจะเดินจะนอนจะหลับจะตืน่นจะไปกินข้าวจะเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมเราจะลืมมันยังไงก็าตามแต่ความตายไม่เคยลืมเรามีแต่เราเท่านั้นแหละที่ลืมตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปกเราจิตใจวาอยาเป็นคนลืมตัสมาอิทะชีวิตะเซเส เพราะเหตุ น, นั้นชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราจะรีบสร้างแต่คุณงามความดีให้มันทานการเราไม่เป็นผู้ประมาทเพราะาอายุสังขารจะพอยประมาไบบทไปกับมนุษย์ทั้งหลายนั่นหาไม่ในเฮวติทังนาซีนังณัสยานังณปตคุงอายุสังขารจะพอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนเดินนัง่งนอนอยู่ก็หามีได้นี่ มนุษย์ทางหลายเนี่ยอาจจะมีความประมาทยืนก็ประมาทเดินประมานั่งประมานอนประมานไม่คว้านควายทําสิ่งที่ควรทําอยู่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปวันพระมาดีก็ไม่เคยคิดวันโกนไม่ละวันพระไม่เวน้นวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบไม่เคยหูฟังสรรพเสียงสำเนียงที่เตือนบอกของพระทรงองค์เจ้าอย่างนี้ปล่อยเวลาผ่านไปแต่ในเวลาที่มันผ่านไปนั้นให้เข้าใจเถิดว่าอายุสังขารของเรามันไม่ได้ประมาท เราไปด้วยเหมือวแกไปคือเราไปอายุสังขารของเราเป็นไปตามลักษณะใจรักอเนจังรุกขังอนัตตามีความไม่เทีย่ยมมีความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และมีความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอํานาจของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปไม่หยุดไม่ยั้ง เมื่ออยู่สังขารเปลี่ยนแปลงไปตกดูในคติธรรมดาอย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรนิ่งเฉยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ต, ตัดสมาอิทะชีวิตเสสเสพเหตุนั้นแหละชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้กิจาการโรสิยานโรนจะมัดเทตี คนเราควรกระทำกิจหน้าที่ของตนและไม่พึงประมาทอันนี้ท่านหลายคนคิดดูเถิดไม่ควรประมาทขอให้รู้เท่าทันมันว่าเรานี่ประมาทลืมตั ว, ล, ตวลืมตายแต่ความตายไม่เคยลืมเรานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็อยู่กับตัวเราวันนั้นอวันพะนี่มาถึงพูดเตือนจิตสะกิจใจกันไว้เป็นเบื้องตน้นยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวว่าจะพูดอะไร เอาละวันนี้อาตมาจะขอพูดในเรื่องเกี่ยวกับการบวชหน้าฝนเข้ามาถึงแล้วจวนจะเข้าพรรษาแล้วเป็นฤดูการแห่งการบวชอืงผู้ดีเป็นข้าราชการก็จะลาบวชเป็นครูบาอาจารย์ทหารตำรวจจะลาบวชหรือผู้ที่ตั้งใจไว้จะบวชพรรษาหนึ่งก็เตรียมจะบวชกันแล้ว <c oughs> นานี้ก็เลยเป็นหน้าบววก็เลยจะขอพูดในเรื่องบวชกันหน่อยการบวชคืออะไรทำไมจึงต้องบวชและจ ะ, จะบวชเพื่ออะไรบวชโดยวิธีใดทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งตามลักษณะของชาวพุทธมิฉะนั้นแล้วมันจะงมงายหลงบวชละเมอเพ้อฝันลมๆแ่งๆ บวชเสียเงินเสียทองเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เลยโง่เป็นหมื่นเป็นแสนบางแห่งบวชต้องไปยืมเงินยืมทองมามหาลสพบันเทิงแห์แหนแตนแต้กันเข้าไปบวชสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันสามเดือน นอนคอยตะวันจันทานับนิ้วมือนิ้วเท้ารอคอยวันสิ้นเดือนจะเด็ดไปรับเงินเดือนครบสามเดือนก็จะได้เส ก, กออกไปเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการบวชบางแห่งบวชค่างัวงค่าควายไปค่าม้งสามตัวค่าควายตัวหนึ่งอย่างนี้หมดเงินเป็นหมื่นงงๆไปเป็นหมื่น <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอเพิ่มเรื่องในการบวชสัหน่อยขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยฟังกันใครคิดจะบวชลูกบวชล้าน บวชนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งเกี่ยวกับเงินกับทองยิ่งไม่เป็นการบวชการบวชนั้นมีเพียงผ้าอืมไตรจีวรมีบาทเท่า น, นี้ก็เห็นจะพอแล้วอุปชาขังกระถามเพียงเท่า น, นี้นเรื่องบริขารไม่ได้ถามว่ามีกองเข็มมาไหมมีทำมากกมาไหมมีอะไรตอนอะไรขังกระถามแต่ปัตกกจีวาราถามหาบาทหาจีวร ทัานก็ไม่ได้ถามว่าเวลาบวชเมื่อคืนนี้ข่าควายมาสามตัวหรือยังมีหนังมาคบเงินในการบวชไหมถ้าไม่ได้ถามภาพยนต์ซี่ได้ภาพยนต์มาใช้ให้คนดูหรือยังหมอลําที่ไม่ได้ถามดอกเพราะฉนั้นมาตั้งใจกันใหม่ทําความเข้าใจบวชคืออะไรทําไมจึงต้องบวชและจะบวชเพื่ออะไรบวชโดยวิธีใดเอากันง่ายๆสะตอน บวชคืออะไรบวชมาจากคำว่าปะวะชะหรือว่าปับพัชังบาลีว่าปับพัชังปับพัชชาเรียกว่าเว้นออกไปออกไปหรือว่าเว้นทั่วหรือว่าออกไปซิออกไปจากสภาพความเป็นอยู่อย่างในบ้านผู้บวชเรียกว่าบรรพชิตโตบรรพชิตผู้ที่ออกไปแล้ว ออกไปจากครอบจากครัวแล้วทําไมยึงต้องออกไปนี่มันมีปัญหาจึงมีคําถามซ้อนขึ้นมาว่าทําไมจึงต้องบวชทาความก็จะง่ายว่าบุคคลที่บวชนั้นคือผู้ที่เว้นการเป็นอยู่แบบชาวบ้านเป็นผู้ออกไปจากครอบจากครัวอย่างที่เราได้ยินพระท่านซัวทำวัด พอเราเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาอาคารสมานอานนาคารีย์งปปัจจิตังเราเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วทิกคุนังสิกขาสาชีวาสมาปานันณณงถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายทั้งหลายครจะได้ยินคํานี้บ่อยๆเวลาบวชท่างกะพาสวดเช้าทุกวันและตรงนี้ศรัทธาคารัสมานัานนาคารีย์งปปัจจิตัง เราเป็นผู้ออกแล้วจากเรือนบัาพชิตังหรือว่าบัมพชาหรือว่าบวชออกแล้วจากเรือนเว้นแล้วอย่างการกระทำอย่างชาวบ้านเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องช่วยฟังให้ดีนี่คือการบวชนะผู้เข้าใจง่ายๆซะก่อนวิถีชีวิตของนักบวชนั่นเป็นชีวิตที่ยาวนานนักบวชในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาก็มีนักงบวช นั่นบวชเต็มไปหมดแล้วมีพวกเดีรัธีปริพาชกอาเจรกนิคนพวกฉะดินอ้อมีหลายยี่ห้อก่อนที่จะมาเป็นชะดินเป็นนิคนเป็นเดรัธีปริพาชกเป็นอาเจรกอัญะเดรัีต่างๆนี่ได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่นู้นย้อนหลังพระพุทธเจ้าเกิดไปหลายพันปีหลายเป็นหมื่นปี ท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกอักขันยโสธีขณิกายปฏิกาวัลเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่หกสิบสองหน้าที่แปดสิบสามเป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพบวิธีชีวิตของนักบวชคนแรกในตอนนี้พระไตรปิฎกปรากฏตามปักฐารตรงนี้บ่งบอกทั้งว่ามนุษย์ได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแต่ก่อนนั้นมาจากอาพัสระบพม เมื่อมีความกำนัดขึ้นกำู้จักความเป็นผู้หญิงผู้ชายสมสูญโยหากันตัวก็หยาบกระด้างหเหาะเฮินเดออากาศไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนจากคนโยบายโยงก็มาเป็นคนบ้านมีวัฒนาการเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองหลังจากนั้นก็เกิดธรรมะอัลลาโมกอืมลามางกังธรรมังเกิดธรรมอัลลาโมกขึ่นมารู้จักรักของกันรู้จักโกหกกันรู้จักตบตีกันรู้จัก ล่วงประเวณีผัวเมียซึ่งกันแรงกันรู้จักโกหกกันแล้วก็รู้จักดืมเครื่องดองของเมาหลังจากนั้นปัญหาก็บุ่นวายไปหมดมนุษย์ก็เลยเลือกหัวหน้าขึ้นมาหัวหน้าคนนี้ก็เลยมาปกครองก็เลยตั้ง ตั้งกฎหมายขึ้นห้าข้อปาณาถิปาตาเวลมณีอทินาธานาการเมสุมิชฌาจารามุสาวาทาตุราเมเรยมชพมาศิลห่า น, นั้นแหละเกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นปีแล้วอยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งแล้วก็มายึดศิลห้าจนมีเรื่องมีราวาทะเลาะกันอยู่ทุกวันเรื่องกินเจหรือไม่เจพอไปยึดเอาศิลห้าเขาตั้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยมาแก้ปัญหาสังคม พอสังคมอยู่ได้ไปแต่ปัญหาชีวิตมันไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้นมันยังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายคนที่เป็นหัวหน้าปกครองคนอื่นคนอื่นพอใจเขาก็เลยตั้งชื่อเขาเลยเรียกว่าราชราชะพอใจแล้พอใจแ ล, ล, ล้วหลังจากนั้นลูกของคนนี้เกิดมาล้านเลนหลอนคนคนนี้เกิดมาก็มาช่วยพ่อช่วยปู่ช่วยทวดนี่ปกครองต่อไปก็เลยแบ่งหลวงแบงล้านไปปกครองเขตอื่นแพร่อื่นเรียกว่ากัตริ มันก็นเลยเป็นวันณักษัตริย์มนุษย์ก็เลยแยกกันเป็นกลุ่มพวกหนึ่งเป็นนักปกครองพวกหนึ่งเป็นนักวิชาการเรียกว่าพามพวกหนึ่งเป็นเทคนิคเป็นนายช่างเป็นพ่อค้าเรียกว่าแพทย์พวกหนึ่งใช้แรงงานเรียกว่าสู้พวกหนึ่งไม่มีไม่มีระดับเรียกว่าจันทันไม่มีใครตั้งมันเกิดเองมาอย่างนั้นโดยธรรมดาธรรมชาติอันเดออาชีพการงานธรรมะน้ำมันแจกแบ่งคนออกไป ต่อมาทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรเหล่านี้เกิดอาการก็จะหมายหมาว่าเซ็งเซ ง, ซงไม่พอใจเป็นกษัตริย์ก็มีเพียงแค่นี้เป็นพราหมณ์แค่นี้เป็นแพทย์แค่นี้เป็นสูตรแค่นี้แม้จะมีทรัพย์สมบัติล้นแผ่นดินเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิคนเดียวปกครองทั้งโลกทั้งแผ่นดินในที่สุดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็แก่แล้วก็เท่ า, แ ล, ทาแล้วก็ตายเป็นเหมือนคนอื่นมีความขัดเคืองใจเหมือนคนอื่นมีความดีใจมีความ ชอบใจไม่ชอบใจก็ทุกข์พอๆกันกับทุกๆคนอะไรที่มันดีกว่าความเป็นกษัตร์ส่วนพวกพราหมณ์เป็นพวกรุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณเป็นเจ้าพิธีคําต่างๆก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพัดภาคจากกันเหมือนกันโหยให้ได้ดังใจไม่ได้ดังใจปารธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพราหมณ์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันกับกษัตร์พวกแพร่พวกสูตรเหมือนกันกษัตริย์ทุกแบบกษัตริย์แพร่ทุกแบบแพร่พราหมณ์ทุกแบบพราหมณ์สูตรทุกแบบสูต ร, บบตรเข้ากันเลย นึกหามาอะไรที่มันจะดีกว่าความเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยมีคนมีคนที่ค้นหาสิ่งที่ดีกว่านี้ปฏิเสธสังคมอ๋อแกบ้านจากช่องไปอยู่ป่าอยู่เขา ไปค้นหาอะไรเนอที่มันดีที่สุดกว่านี้ไปสแสวงหาในป่าไม่สนใจเรื่องการทํามาหากินกินเพือกินมันกินผลไม้ตามและดูการผมเผาไม่ตัดเล็บไม่ตัดนั่งคิดนั่งพิจารณาอะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่ า, วาที่เป็นอยู่นี่หลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าสาภาพแวดล้อมสาภาพเป็นอยู่มันเอื้ออำนวยให้มีแต่ป่าเขาลําเนาภัยอาหารก็ไม่ได้กระตุ้นสติมีเลดอะไร าไม่ได้เห็นรูปที่ชวนให้เกิดกำนัดหูสไม่ได้ฟังเสียงที่ชวนให้คัดเคลื่อนกำนัตเดาโมกกับกินลิ้นกับอรอดกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์มันอยู่ในแวดล้อมธรรมชาติในป่านในเขาวันหนึ่งจิตใจก็เลยสงบเพิ่ลงไปหลีงไปหลีงไปก็สงบกลายเป็นฌานเอกกขัดตังละมนังจิตตัง้งจิตไปสูอารมณ์เดีย คนคนนี้ก็เลยร้องอ๋อขึ้นมาบอกอ๋อธรรมโมหิอิสินังทัชโชนี่เองธรรมะอันนี้เองเป็นธงชัยของผู้แสวงหาบุคคลคนนี้และคือนักบวชคนแรกภาษาบาลีว่าอีสิภาษาสันสกฤตว่าลือสีภาษาไทยไม่แปลเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าลือสีโสลือสีหนวดยาว ความจริง้งอิศิเป็นภาษาบาลีหรีอเป็นภาษาสันสติแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้สแสวงหาผู้สแสวงหาคนนี้ได้พบจิตสงบลงไปเป็นฌานเป็นสมาบัติก็เลยพอใจวิถีชีวิตอย่างนี้ในที่สุดจิตที่มันสงบมากมันก็เลยมีฤทธิ์มีเดช เมื่อจิตขาดเคลื่อนออกจากสมาธิมันก็เป็นทุกข์ทำไมไม่เหมือนเก่าก็เลยหาดินหาน้ำหาไฟหาลมมามาเป็นหลักคูกใจเพ่งลงไปเป็นระบบกรสสินในขณะที่เพ่งให้จิตอยู่ในสภาพสงบอย่างเต่านี้อาศัยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชื่อของฤาษีก็เปลี่ยนมาเป็นดาบดมอมเปลี่ยนมาเป็นโยคีโยค่าผู้ผูกผู้ผูจิตเมื่อจิตภูยูกับที่แล้วก็แผเผา ความร้ อ, รอนทางจิตให้มันกลายเป็นความเย็นทางกายทางจิตก็เลยกลายเป็นตะปะโซเป็นดาบทผู้เพ่งแผดเผาหลังจากนั้นเมื่อนจิตมีกำาลังมากก็เลยกลายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเขาก็เรียกว่าสิทธาผู้สำเร็จหลังจากนั้นก็เป็นโมในผู้รู้ สแสดงลิสสแสดงเดชเข้าไปในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เจ้าฟ้าชายหนุ่มทั้งหลายผู้ปรถนาความเด่นดังปรถนาอำนาจราชศัก์อาทิสิตีพลอำนาจโอกาวัตนาเป็นใหญ่เป็นตัวในแว่นแควงเกาะซืบแสวงหาลือสีโยคีสิทธาดาบทเหล่านี้ในป่าในเขาก็เลยไปเรียนมนต์กับพ่อพลือสีกลายเป็นมหาวิทยาลัยของคนหนุม่มสมัยนั้น นั่นแหละคือการบวชคือการบวชคือการออกจากบ้านจากช่องจากโลกจากพ่อจากเมียไปแสดงหาสิ่งนี้ก็เลยเริ่มจากวันนั้นมาวิถีชีวิตนักบวชก็เกิดขึ้นชีวิตนักบวชนั่นเป็นชีวิตที่เขาดีไซน์เขาออกแบบออกมาโดยเฉพาะชีวิตนักบวชคือชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อก้าวหน้าฐานจิตฝึกกิตให้มันดีมันงามให้มันไปได้เร็ว เป็นคารวาะมันคนละแบบกันมันมันมั น, ม, นมันพลุนพลั ง, ลงเหมือนเดินทางที่จะต้องหาบต้องคลายสิ่งหร้ายยาง ม, มันก็เลยไปชา้าที่นี่เมื่อเลื่อนมาจนถึงสมัยพุทธเจ้าหามการบวชก็ยิ่งต้องการเดินทางลับขึ้นไปกว่านั้นอีกวิวัฒนาการของการบวรมุง่งประชการดับทุกทางใจ คือความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านออกบวชท่านต้องงานที่จะดับทุกข์ท่านเดนเล่าให้โพธิราชกุมารฟังหรือว่าพาลัทวาชะพามฟังว่าดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตัดสู้เราจะเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดดังนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดผ้า เป็นธรรมดาแต่เราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพัดพากเป็นธรรมดาเอามาเป็นของเราถ้าชนไนเสียเราเพึงแสวงหานิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่กระเซมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุ ม, มารหึงคารวาเป็นหนทางอันคแคบ เป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายยากที่จะพฤชพมจันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วถ้าชันไหนเสีเราพึงออกบวชเพราะการบรรพชาเป็นห้นทางโป่งเหมาะแก่การประพฤติพมจันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำที่สุดแห่งทุกได้ ในสมัยนั้นในสมัยอื่นอีกเรายังหนุ่มเที่ยวยังเจริญด้วยว้แห่งปฐม ว, ว, วัยเราได้ปองผมโกนนวดรุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งทั้งดนน้ำตานองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาคคำกล่าวนี้อาจจะไม่ตรงในประวัพิปีดกมากนัก เพราะสำนวนพันไต์ปีดกเป็นสำนวนเก่าๆอาตมาก็เลยเอามาพูดเป็นสำนวนง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งให้คนเข้าใจว่าท่านบวชอย่างนี้ว่าเราเองก็มีความเกิดแก่เจ็บตายลองไปแสวงหาอรวรรตมัดลึงในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้ใครจะตายจากกันก่อนใครจะพัดผ่าจากกันก่อนสิ่งที่เราไปกอดไปรัดเอาไว้ไม่ว่าเราจะไปก่อดลูกสิ่งนั้นจะพังก่อนมันให้เราออกมันเอื่มละอาถึงที่สุด ท่านก็เลยออกมามันอยู่ไม่ได้ทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็ร้องให้ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่ารักมาบวช ด, ดอกเพราะฉะนั้นการบวชคืออะไรหมดความหมายที่จะถามว่าคืออะไรก็คือการออกไปอยู่จากครอบครัวออกไปจากครอบครัวออกบวชจากเรื่อนไม่เป็นอยู่อย่างชาวบ้านจะไปเป็นอยู่อย่างนักบวชผู้สแสวงหา ค้นทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ในสมัยปัจจุบันนี้ค้นทางที่จะดับทุกข์พระพุทธเจา้าได้สอนไว้เป็นโปรเซสเป็นกรรมวิธีหมดเรียบร้อยรอให้แต่พวกเราเข้ามาพิสูจน์ความจริงกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วเราก็ยังลูบๆคำๆจ ด, จ, ดจ้อ ง, องทำเหมือนจำดูด กันอยู่สี่ครั้งห้าครั้งพอเป็นพิธีเข้าไปป่าช้ารับอีกแล้วขึ้นมาบ้านจะสวดปริถนมองคนรับอีกแล้วพอจะเทศให้ฟังก็ฟังพอเป็นพิธีเคาะไปงานศพเคาะลงให้คนตายฟังคนเป็นไปนเล่นให้โลเล่นซื้อกินหมูกินเหล้าเสียงข้างนอกดังกว่าเสียงพระขนาดพระถือไมโครถือไมโครโฟนพูดยังสู้เสียงพวกขี้เหล้าอยู่ภายนอกไม่ได้ แล้วบอกรับกรับไปพอเป็นพิธีฟังเทศก็ฟังไปพอเป็นพิธีทําอะไรทําพอเป็นพิธีความจริงพิธีนั้นเหมือนเป็นเรื่องดีงามมากแต่คําว่าพิธีเราเข้าใจกันผิดไม่ให้ความต้องัารแก่พิธีเลยก็เลยพิธีนั้นเหมือนของเล่นอีตอนกินเหล้ามาทำไมไม่กินพอเป็นพิธีกินมันสักก้องหนึ่งเรียกว่าต๊อกหนึ่งพอเป็นพิธี เวลาอบุญพเวสสันดรบุญกระถิ่นก็ฟังหมอลำพอเป็นพิธีจ้างมาให้เขาลำให้ฟังสักสามสิบนาทีชั่วโมงนึงก็ได้เอาพอเป็นพิธีจ้างหนังมาสักสองร้อยฉายชั่วโมงหนึ่งพอเป็นพิธีให้มันแล้วไปบุญพระเวสสันดรเอาพอเป็นพิธีนี่ไม่เอาดูหนังกันยันสว่างฟังหมอลำกันยันสว่างจ้างมาหมื่นสองจ้างมาแปดพันจ้างมาสี่พันหนังข่าควายกินพอเป็นพิธีอีกสิบตัว กินเหล้าพอเป็นพิธีอีกหมดเป็นสิบยี่สิบเทเชฟหายวายว่อกันไปหมดทําไมไม่เอาพอเป็นพิธีสิ่งเหล่านั้นความดีความงามกลับมองกันลเล่นพอเป็นพิธีอันนี้ก็เหมือนแต่พอจะบวชก็บวชพอเป็นพิธีพอเป็นประเพณีพอได้เป็นญาติกับพระศาสนาว่าเข้าไปตรงนั้นอเออก็น่าเป็นห่วงพวกเราไม่เอากันจริงอะไรที่การบวชนั้น บอกแล้วว่าไม่ไม่ไม่ไมชะเรื่องเล่นเล่นไม่จะเรื่องเล่นเล่นเป็นการปเปลี่ยนหมดเลยออกจากความเป็นอยู่อย่างชาวบ้านปรับพชิตโตปรับพชิตผู้ออกไปแล้วจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านดังกล่าวแล้วเราเป็นผู้มีสถาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมีธรรมและศีขาของภิกษุเป็นเครื่องรื่นชีวิตสำ ม, มาก็ปเป็นคนขอทานไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขแค่ไหนก็ตาม การออกบวัเป็นวิถีชีวิตที่ออกแบบดีไซน์ออกมาเพื่อจะค้นหาขนทางที่ดีที่งามเพื่อเดินทางทางจิตใจให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงปลดปล่อยพันธนาการตนเองทุกอย่างจากสังคมเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลืนกับธรรมชาติเอามีชีวิตที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาก นิสระให้แก่สังคมมากเอาจากสังคมแต่นน้อยปลดปล่อยพันธนาการตนเองจากสังคมหรือว่าสังคมจะมีค่านิยมขนาดไหนก็ตามเราไม่เอาเราปลดปล่อยตอนเองเป็นผู้อยู่น้อยกินน้อยเมื่อน้อยสันโดษศึกษาค้นคว้าทางจิตใจทางวิญญาณอาลองดูการบวชจึงไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นอย่าก็จะ่าขี้ข้านและไปบวชใจอย่าวายทังนั้นเริ่มตั้งแต่การกินปัจจัยสีนั่นเป็นเครื่อง อยู่อาศัยของชีวิตทุกชีวิตคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคขาดไม่ได้สี่อันนี้ทุกๆชีวิตชาวบ้านจะต้องมีอาหารกินอยากเวลาไหนหามากินอย่างน้อยวันละสามครั้งแต่การกินของนักบวชกินไม่เกินวันละสองครั้งทาย่างวัดป่าที่ท่านฝึกสมาธิภาวนาวันละครั้งเดียวอย่างที่วัดของอาตมาวันละครั้งเดียว ใช้พาชนะอันเดียวบาทอันเดียวมีอะไรก็ใส่ลงไปในนั้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นตัดภาละทั้งหมดไม่ให้คนอืน่นได้ล้างถ้วยล้างชามอะไรมากเอาแต่พอดีพอดีไม่ให้ม่นเลือดเสร็จแล้วก็ไปลา้างของใครของมันไม่ต้องเสียเวลาเสแวงหาในการกินมากกินครั้งเดียวก็เพียงพอกับชีวิตที่ไม่ต้องไปออกให้ออกแรงอะไรมากแต่ความจริงเราออกแรงมากพี่งว่าชาวบ้านเองวันวันหนึ่งก็ไม่ได้จุดจุดเฉยเไม่ได้นอนกลงวันกันแหละก็อย่างนี้ ชาวบ้านอยากเวลาใดกินนอนหลับๆตื่นมา่างตืน่นนั่งรถโดยสารรถทัวร์ไปถึงโคราชตั้งตีสองต 3, ีสามท่านผู้โดยสารโปรดทราบทัวบริการของเรานํำได้มาถึงนคะรราชสีมาแลนะนาค้ารถจอดพักทานอาหารยี่สิบนาทีข่ารีบลุกพอบไปเว่ไปกินอีกตีสองตีสามนอนเอาแรงจะไปทํางานพน่งนี้ไม่เอานั่นชาวบ้านกับาาพระมณนผิดต้านพาท่านฉันวันละครั้งเดียวยังเก่งอีกสองครั้งเชา้าเพลนี่ ส่วนที่อยู่อาศัยชาวบ้านมีตึกราบ้านช่องสร้างเรือนช่างสร้างซานใหญ่โตส่วน Rights ool, นักบวชจริงๆอยู่กระท่อมหลังเล็กๆพอกันแดดกันฝนส asha, ีจะสปฏิฆาตายะบำบัดความหนาวอุณหสสะปฏิฆาตายะบำบัดความร้อนดังสมมาเกษตวตาตะปัดส <io> ิรินตปะสัมผัสานังปฏิฆาตายะป้องกันสัมผัสเกิดจากเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เลื่อยคานทั้งหลาย ยาวเทวอุตุปริสายยาวิโนธนังปฏิสลานาลามัทั้งเพื่อลีกเล่นเพื่อทำความเพียนในฤดูการฝนฟ้าตกมาพอมองแดนมงฝนก็อยู่ได้แล้ว น, นั่นเรื่องที่อยู่อาศัยหมดปัญหาถ้าไม่มีจริงๆก็โคนไม้มีกฎอันนึงเฮือนน้อยกลางขึ้่นก็อยู่ได้ชีวิตวิถีชีวิตเจบวชจริงๆเจงไม่สร้างสรรแต่นักบวชจะไม่ ทนแล้วก็กระทบกระเทือนกันสร้างวังกันเลยใหญ่ยยโตมือนกับจกแข่งเทวดาบนสวรรค์พระพุทธเ จ, จ้าออกบวชจากปราสาตราชวังต ร, รัตรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเทศสอนคนใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเวลาท่านอืมตายท่านตายใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหมือนอย่างเคยไม่มีอะไรพิเศษใหญ่ยยโตชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ท่านจึงสอนพิสุททั้งหลายให้รู้จักความเป็นอยู่อย่างที่ฆเวสทาราสาวกานาังฮิเตศนานุกัมปิเคนะนุกัมปังอุปทานยะตังโบตังมายาดูกรพิสุทธิทั้งหลายกิจอันใดอันประาทสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นแต่กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย เอตานิพิคเวลุขโมลานิอลัญญานิสุญจคาลานิชาจะธรรมะปมาสธรม า, ถถ า, มาปชาบิปติสารโนอนุวัตทที่สุดทั้งหลายโน่นโคนไม้โน่นป่าไมา้โน่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียเพรเผากิเลเธอจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโวอัมห่างังอนุศาสนี นี่แรลเป็นวาจาเครื่องความสอนของเราซึงมีต่อเธอทั้งหลายไปเปิดเบิงในปะไตปิยกลหลายขนาดควมเบอกเนี่ยนี้ว่าแห้เห้าหัวจักว่าเพิ่นอยู่กันง่ายๆไม่ได้บอกว่าพิสุททั้งหลายจงไปสร้างวัดสร้างวาใหญ่ๆโตๆโกตโตุฏิภูโมเสถิ่นอ่อนทรงแฝดทรงไทยติดแอร์ประากาศใหญ่ๆแล้วหารถคันดีๆขี่เด้อไปหาจนตายก็ไม่พบ แต่พวกเราก็หลงวันนั้นคือบาละมีอ้าวก็ไม่ว่าอะไรกันดอกผ่านไปสาธุอนุโมทนาะขอเล่าฟังก่อนว่าชีวิตนักบวชนั่นการกินก็อาศัยชาวบ้านมือมือหนึ่งตามมีตามเกิดที่พพุทธเจา้าท่านบอกว่าชีวิตเราหนึ่งอยู่กับชาวบ้านต้องทําตัวเขาเลี้ยงง่ายเขากินเจก็กินเจกับเขาเขากินปลาแดกก็กินปลาแดกกับเขา ไม่ใช่ว่าเขากินปลาแดกปลาละาบาดนอกจะไปเรียกร้องหาเต้าเจี้ยวขาวจะไปเรียกร้องหาโปรตีนกเกษตรเอามารลาบมาก้อยแซ่บแซบเหมือนพวกเขาเป็นกันอยู่ทุกวันจนเคร่งกันจนขั่งอยู่ทุกวันทะเลาะ ก, กันอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนาส่วนเรื่องที่อยอาศัยก็ตามีตามเกิดแต่ช้าบ้างเขาจะสร้างให้ใ ห, ใหญ่โตเราไม่ว่าอะไร แต่ไม่ใช่ว่าไปหาแผลตรงโน้นตรงนี้มีเดลี่ลายกันทั้งปีทั้งชาเพื่อจะมาสร้างกันใหญ่โตๆไม่ใช่ส่วนหลังจากนั้นก็เครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเขาจะมีทรงเดฟทรงมอฮารารีไวช์ชุดใหม่แฟชั่นจากปารีสลอนดอนลาสซีหลายทรงเราไม่มีแต่ทรงเจ้านุ่งห่มผ้าตาตามาพับมีจีวอน มีซ บ, บงมีสังคาติสามพื้นเรืยอว่าตรายจีวรถ้ามีเกนินนี้เก็บไว้เกินสิบวันต้องอาบัตินิสกีปาจติตตีจึงมีทรงเดียวเนี่ยผมก็ต้องตัดทรงเดียวโกนมันเลยไม่มีทรงอื่นอีกมันง่ายขึ้นส่วนย า, ารักษาโรคก็ไม่ต้องย่านตายหมายความนักบวชพอบวชปับ๊บอุปชาก็บอกแล้วเรียกว่าอนุสา์เนี่ยเรื่องอาหารคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะไปขอเขากินบินทบาท บินทบาทไปขอกินอุ้มไปมีอะไรตกลงมาข้าวตกลงมากลับามากินไม่ต้องห่วงเรื่องกินบินทบาทไปขอทานกินตามมีตามกัเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ต้องห่วงนะโน่นโคนไม้นโน่นป่าไมา้นโน่นเรือนว่างกระท่อมกระเท่มอยู่ได้ส่วนเรื่องเครื่องนุ่งห่มีไม่ต้องกลัวผ้าจีบอนตามพื้นไม่มีก็ไปหาเก็บที่เขาทิ้งตามอยากเยื่อนั่นเอามาต้มเอามาซักดีๆแล้วมาย่อ ม, มาตัดนุ่งห่มได้ส่วนเรื่องยา ไม่ต้องกลัวตายถ้ามันจะตายพวกสัตาวา์สิ่งนกหนูปูปีกมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันมันไม่มีโรงพรยาบาลมันไม่มีหมอแต่มันก็ไม่ตายศูนย์พันนอกจากคนไปยิงมันมากินเท่านั้นมันไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ต้องตายดอกพวกเราเจ็บอะไรนิดอะไรหน่อยตายแน่แน่ที่นี่ย่านไร้พระพุทธเจ้าให้บอกว่ า, า, ร า, วาเรื่องยาไม่ต้องเป็นห่วงฉันยาดองด้วยน้ำมู่นเน่าเนี่ยน้ําำมดูดน้ดําำมูดน้ําปัสสาวะ เยี่ยวออกมาแล้วก็กองดีๆต้มอืต้ ม, ตมแล้วก็ดองไปครับผนไม้บางชนิดหรือว่าต้มแล้วก็ดองมันต้มกินเลยก็ยังได้เป็นยาเป็นยาระบายเป็นยาโอ้ยสาราพัดสาราพัดอยากนี่ไม้เความว่าปัจจัยสี่สำหรับพระนั้นตั้งแต่การกินที่อยู่อาศัยเครื่องลุงหอมยารักษาโรลงมอดปัญหาตามมีตา ม, ม, ตามได้นี่มันลิบกันเต็มบวก ชาวบ้านต้องสร้างบ้านตางช่องหลังใหญ่ๆที่อยอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มไรสีหลไรทรงต่างหามายาก็เหมือนกับทำผิดกันมีชีวิตดังบวชในบวชคืออะไรดังกล่าวแล้วบวชคือการออกจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านเพื่อไปศึกษาชีวิตอีกแบบหนึ่งเพื่อจะดับทุกข์เอาอะไรที่ได้บวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรเห็น ท, ทีจะต้องไม่จบละวันนี้เรื่องบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาว จงพูดกันให้เข้าใจน้อยบวชเพื่ออะไรถ้าบวชเพื่อออกไปค้นหาหนทางดับทุกข์มันก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นจะโ ง, ง่เป็นหมื่นโง่เป็นแสนข่า ง, งัวข่างควายขอภัยอาตมานี่ออกไปบวชซื้อบาตรมาอันหนึ่งจีบอลมาชุดหนึ่งไปเองเลยพ่อแม่พี่น้องไม่ลูกไปฝากตนเองกับอุปชากับผมจะบวชอยู่อุปชาเรียกเข้าไปถามดูสวดอะไรได้เลยอยังได้หมดแล้วท่องไวหมดแล้ว ท่านให้ทองให้ดูก็ทองให้ได้หมดทั้งกระบอกบวชได้เจ็ดวันก็บวชแล้วก่นผมท่านจำรถกําลังจะลงอุโบสถก็เดินอุ้มบาทรธงธงเดินรอบโบสถ์สักคนเดียวได้รอบครึ่งพวกเมชีเขาเห็นบอกโอ้หนักทนหนากก้ากำพร้าไม่มีใครเมชีสามคนมาขอเดินรอบโบสถเรียกว่ามาแห่นาคสามคนแหร่รอบครึ่งพอเราเดินแล้วรอบครึ่งก็เข้าไปบวชอะไรแล้วก็ท่องมาหมดแล้ว มนสุดจนป่านนี้ก็ยังมีความสุขในสมณธรรมไม่มีความรู้สึกคิดจะสึกออกไปแต่พวกเราหนี่เสียเงินกันเป็นหมื่นบวชกันมีนันมนงมีมอลำมาพบมาเัินข่างัวค่าควายกินบางที 15, 000, สิบห้วาวันสึกแล้วสามเดือนสึกแล้วยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโง่ไปฟซีๆเสียเงินไปฟซีๆนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนนั้การบวชจริงๆถ้าไปดูร่องรอยในประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกเขาบวชนั่น เขาเอื้มอมละอาชีวิตอย่างครอบครัวจริงๆแล้วเขาจึงออกไปเพื่อจะทำที่สุดแห่งความทุกนั่นเองบางคนเป็นลูกเศถษีพ่อแม่ไม่ให้บวชนอนกิ่งกลางดินอย่างรัฐบาลทำไมเลยบวชตายดีกว่าพอได้ฟังเทศเกิดความประทับใจอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นพ่อแม่ขับไม่ได้ต้องไปบวชลูกชายโทนคนเดียวบวชแล้วก็ไม่ซึ้เลยเป็นพ่อรหันไปนเลยพูดถึงตรงนี้นึกถึงฝรั่ง นี่มาขอบวชก็มาแต่ ม, มาออค่อยนอนขับอยากจะบวชบอกบวชไม่ได้พ่อแม่ยังไม่อนุญาตอยู่มาสิบกว่าวันพ่อมาตามโอ้พ่อเป็นเศรษฐีลูกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดในฟังเทศกันเดียวในเทพเท่านั้นตามมาถึงเมืองไทยอยากจะบวช ด, ดังนี้ก็มีคนเราไม่เหมือนกันทำไมเขาเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีแท้ๆเขาจึงอยากจะบวช ก็แม่มาตามร้องหอมร้องไห้ไม่บวชไม่อยากไม่อยากตัดไปอยากจะบวชพอแม่ร้องไห้ไม่อยากให้ลูกอยู่ลูกร้องไห้ไม่อยากจะไปลักษณะเช่นนี้มันเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นบารมีอย่างกล่าวแล้ว แต่บางคนพวกก็พูดเถอตาบอดกอ็ยังไปหาเอากันเป็นพวเป็นเมียสองบอดดับเบิลบอดเมียกบบอร์ดพวกกะบอดหวังว่าจะได้ลูกมาตาดีจะได้จูงพ่อจูงเมีเออมันก็ดีไปเมือนกันอีกแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราพูอถึงตรงนี้เลยตันห้าคนนันไม่ปานีอย่างว่าเอ้าไม่เหมือนกันที่การบวชเนี่ยในสมัยโบราณเขาบวชเพื่อจะออกจากทุกข์แต่ในสมัยนี้บวชเพื่ออะไรมันต้องมาแยกกันหน่อยแยกหน่อย พอจะแยกออกมาได้ประมาณทักสี่สี่ประเภทห้าประเภทในพระบาลีมีร่องรอยอย่างคําว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตนี่ขอให้เข้าใจอันหนึง่งบวชมาเลี้ยงชีวิตอย่างไรบูอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตแล้วอุปกิริกาบวชมาเล่นมาหัวสนุกสนานกับพวก อุปมุยฮิกาบวลุ่มหลงดุ่มหลงว่าบวดแล้วคนจะได้กาบได้ไวบ่เราเป็นเพศที่สู ง, สงทรงงชัยของพออระะหันต์พูดอะไรคนเชื่อไปในคนกาบคนไหวยักษ์อะไรก็แพ้เอาเลยบวดแล้วเขาก็ให้ดอกบ่มีเงินค่ารถก็แพ้แน่เขาก็จะได้ให้บ่มีเงินซื้อเลขก็แพ้แน่เขาจะได้ให้นี่รียว่าอุปมุยิกาบมาุ่มหลงต่อมาปุ๊บปูสกกา บวชมาแล้วประทุทสร้ายทําลา ย, ายศาาัสนาโดยไม่รู้สึกตัวดังเราจะเห็นกันเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นี่วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเทอะนักบวชอุปถูสกาบวชมาประทุทสรลายทํำลายศัสนูทําลายสังคมให้วุ่นวายไปหมดต่อมาสุดท้ายอุปนิสสารนิก า, อ, า, า, ก า, า, า, กาอุปนิสาริกาสรณิกาอุปนิสารณา บวชเพื่อออกจากกองทุกเพื่อดับทกุกบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่ออันนี้เอาละเป็นอันว่าบวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตบางคนทามาหากินไม่มีทางจะไปแล้วแกเท่าหากินยากลาบากลูกหลานก็ด่าก็ว่าหันหน้าเข้าวัดบวชมาได้เงี้ยเราไปฝากไปหลวงไปลานแล้วบ้านขี่ที่เพียงพออยากได้ได้เงินฝากลูกฝากลานอยู่กันนี้ นอนกลางคืนบริเวหยังภาวนาอยากจะให้ฟันเห็นตัเลขอย่างนี้เรียกว่าบวชมาเลี้ยงชีวิตบางคนทำมาค้าขายขาดทุนคาลรอนไปที่ไหนก็พ่ายแพ้ผิดหวังบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วก็ไม่ได้ประพฤติทำอะไรพออยู่พอกินไป ว, วันอีกหน่อยก็เอาแหละเศีนี้หาเรื่องหาราว ศึกษาตำราพรม่าชาติเป็นหมอดูดีกว่าพระดูแลเขาเชื่อได้เงินได้ทองแต่งแก่เสียเคาบูชาสีสีเรียกเทวดามาซู น, นันตูพนตูยีเทวาปรมาอินทาพมมาดูลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังกันถึงคันเดียนเจ้าโสเจ้าสะตะแหมพระสวดมันทําท่าคือเ้าหลังไหลไปเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาปีละสิบบาทอายุสิบปีต้องเสียเคบูาสเดาะนามร้อยบาทแต่อายุห้าสิบปีก็ฟาก็ไปห้าร้อย แล้วก็เรียนมนต์ที่ท่านสอนนั่นแนหะมีแต่ถ้อยคําดีๆแต่ไม่รู้จะคําแปลทองมันจนหมดในเจนตํานานนั้นกับมาสวดรดน้ําสร้ยก็ได้เงินเยอะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อไร่ซื้ อ, าอนาอาอย่างนี้ก็มีเราให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าอุ ป, ปชีวิกาบุตมาเลี้ยงชีวิตไม่มีอะไรได้แท้กับตาของแห่งขายได้แบบ น, นี <c oughs> ้เนาะผู้ละกษัตริย์เปโลรมีวจะให้เป็นบาปเป็นกรรมนะผู้ความจริงอย่าโยมได้รู้ต่อมาก็อุปบั๊ กิริกาบวชมาสนุกสนานเพื่อนเขาชวนบวชก็เลยบวชเล่นๆหนอหัวแต่บางทีบวชไปเป็นดีก็มีบางคนบวชสนุกตามเพื่อนนี่แหละอุปกิริกาบวชไปแล้วมันไม่สนุกศึกษาทำวินัยเกิดสนุกอีกแบบใหม่ตั้งใจปาพืชปฏิบัติไม่อยากศึกไปเลยบวชสมัครเล่นเรียกว่าบวชสมัครเล่นบางทีไปเจอครูบาอาจารย์ถันแนะนําำคำสอนในทางที่ดีไปเจอโมูเจอคณะแวดล้อม เป็นกันระยะนมิตรประพฤติแต่จเจริญสมาธิภาวนาเออเราก็ไดยมาพบเพื่อนอย่างนี้อยู่ในวัดในวาที่ไม่มีสีเสียงเครื่องอยั่วย่อมมามมจิตใจจิตใ จ, จ, ใจก็เลยคอยซึมซาบลงไปสู่ศีลสู่ธรรมเอาไปเอ า, ามาเกิดความสุขแบบใหม่ไม่อยากศึกออกไปพ่อแม่ก็เลยดีอกดีใจด้วยพวกนักบวชสมัครเล่นนี่ที่ที่ททวัดเรามามีแต่คนหนุ่มๆส่วนมากกนนักบวชสมัครเล่น พ่อแม่บางทีก็บังคับไปบวชรถยนต์สมภพดีกว่าพอไปแล้วมาที่นี่ไมื่อไหสุบูรีเมื่อไหเที่ยวมาพอที่นี่ฉันเวลาเดียวฉันในบ่ายเช้าพาตื่นตีสองนั่งสมาธิวันละสี่ชั่วโมงเช้าสองเย็นสองเอาไปเอามาหลายวันเข้าซึมซาบอาบรสพดูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นบ่อยๆข้าวเติมความสุขความเพลิดเพลินในธรรมมองโลกในทักษนะณะใหม่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยนี้น่าจะมีคุณค่าแก่สังคม คนคว้าศึกษาตํำรับตําราฟังครูบาอาจารย์เทศเพ้อเอาไปเอามาเพลินไปเลยไม่อยากศึกพ่อแม่ก็ดีอกดีใจอย่างนี้เลยว่า อ, อุปกริริกาบวชสนุกตามเพื่อนบวชไปบวนมาตายเป็นดีก็มีบางทีเพื่อนพาไม่ดีอย่างว่าไปบวชในวัดว่าอารามที่ไม่มีระเบียบวินัยครูบาอาจารย์ไม่ได้เรื่องมันก็เลยเละตุ้มเปะไปตามๆกันต่อมาอุปมุยหากาบวชมาลุ่มหลงนอนกอดสาตนาไม่เคยเจริญสินรธรามทิปัญญามัก คนอะไรต่างๆคิดว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าขอให้เราได้บวชข่มผ้าเลืองเลื้งโกนหัวหอมจีวอนนอนในวัดสบายๆคนได้ก้าบได้ไหวอยากได้อีงอย่งกระเพรเขาอ่ะเราเป็นพระเขาก็ให้เออดีนะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปมุยหาักาบวชมามลุ่มหลงตายเปล่ากินข้าวหมดเป็นหลายกาเซอร์บวชมา20 30ปีขี้เด็ม ท, นทันวิปัสสนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยทําคุณงามความดีทําเจริญสมาธิภาวนาอะไร ตะแหว่งหาซื้อเหล็กซื้อห้วยกันไปตามเรื่องตามราวกันไปอย่างนี้เรียกว่าอุปมุยหกานางนาข้าอกกลายมาเป็นอุปัาาาปาทูศกาบวชมาป่าทุดสร้ายศาสนาการทำไม่ดีไม่งามหนักหนข้าวชาวบ้านไม่มีความเคารพเรื่อมใสเรามองเห็นการกระทําเข้าเบื่อนายศาสนาอื่นเขาขอโจมตีคนอื่นเขาขอโจมตีในที่สุดก็เลยพอยให้ศาสนาเสื่อมเสียไปด้วยเขาก็เลยเมาไปหมดโอ้พรมก็มีเท่านี้ดูสิท่านนี่ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ย มาตัวเดียวเนาครับของคนไม่ดีคนซ่องซ้างคนตีคนก็นเลยหมดไปเลยเรียกว่าอุปธูสกาบวชมาปัทุศร า, ายศาสนาะในประเทศอินเดียเมื่อพ่อโซพันกว่ากว่าสังฆราจาย์เข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกศ า, าสานาะมาบวชอุปธูสกาบวชมาปัทุศร า, ายศาสนาะศึกษาพระธรรมวินัยของผู้ศาสนาะแล้วก็เอาคําสอนของศาสนะาพามยัดใส่ให้แล้วก็เลยมาสอนอย่างปิเอโคสเดะน้ารดน้ํามนต์พ่นน้ามั น, ม น, น, มนตะกามมเทกะบาลอะไรต่างๆทั้งหมด ทำถึงลานค้งองขังตะกุดทนประหลัดคิกเหมือนส่วนนั้นนั่นแหละอุปธูสากาได้หรือหนักไปกว่านั้นก็บวชมาแสวงหาอํานาจทางการบ้านการเมืองปุกกระดมมวลชนสร้างรูปแบบใหม่มาแข่งจนข้างต่อกลิ้มส่วนไหนที่มันไม่ดีไม่งามของสังคมก็เอามาตีมาตอพิมพ์หนังสือด่าว่าเทนี้พังไปหมดเลยทั้งบ้านทั้งเมืองนึงศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปธูสกาเหมือนกันบวชมาบัาาาทุสลายศาสนาเทนี้อุป ปนิสรณิการอุปนิสระนาบวชมาเพื่อออกจากทุกยังคำขอบวชของมหานิกายโบราณพระสงฆ์ไทยโบราณที่เราเรียกว่ามหานิกายคำขอบวชท่านทราบซึ่งมากนักมีคำกล่าวว่าสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะฉัชะชิการณทฐายะเอตังกาสาวังกเหตวาปภะพาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปทายะคำนี้ สัพพุทุกขานิสระนาเพื่อจะออกจากกองทุกนิพพานะชชิกะระนัทธายะธรรมนิพพานให้แจ้งเอตังก า, าวะนังกะเหตะวาปภาเชตะมังพันเตนุกัมปังอุปัทายะขอท่านจงให้ผ้าแก่ข้าพเจ้าเพื่ออนุขขเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบวชเพื่อออกจากกองทุกเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งนี่เป็นคำขอบวชแบบโบราณมหานิกายโบราณอืสมัยใหม่นี่เขบวชเอสาหังพันเต ก็เลลืมของเต่าของเก่าบวชแบบนี้อุกาสะและก็มาถึงสัพพะทุขะนิสรณะนิพพานะฉะ ช, ชิกะรณะทฐายะนี่เป็นลักษณะที่บวชแบบสมัยโบราณแบบสมัยพระพุทธเจ้าทุกคนบวชต้องการเพื่อจะออกจากทุกข์กันเพราะฉะนั้นทําบวชทําไมทําไมจึงบวชบวชเพื่ออะไรก็ดังกล่าวแล้วการบวชสรุปอีกทีหนึ่งเวลาจะหมดแล้ว การบวชคืออะไรการบวชคือการออกไปจากการเป็นอยู่อย่างชาวบ้านมาจากคาว่าปวะชัปปะพชังเว้นทั่วออกไปแล้วปปะพชิโตปปะพชิตผู้ออกไปแล้วผเว้นการกระทําแบบชาวบ้านการอยู่แบบชาวบ้านการกินแบบชาวบ้านการหนุ่งห่มแบบชาวบ้านเลือนชาวบ้านส่องแบบชาวบ้านกินยาแบบชาวบ้านทุกอย่างในเว้นชาวบ้านในเรว่าบวชมูทําไมจึงบวชเพราะว่าชีวิตนี่ มันเหมือรลอยคออยู่ในทะเลมันมีความทุกข์บีบคั้นแผดเขาก็เลยไม่ไม่ควรประมาท ก, ก็เลยลองมาสู่วิถีชีวิตแบบนี้เพื่อจะได้ออกไปจากทุกเดีย๋ยวนี้เรายังไม่เข้าใจบางทีอาจจะเข้าใจในตอนบวชแล้วไปพบครูบาอาจารย์ที่ดีที่งามเข้าก็จะได้เริ่มมองเห็นเลื่อนลางเลือนลางเลื่อนลางนี่เป็นอย่างเนี้ยแต่บวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรก็ดังกล่าวเมื่อกี้นี้ มันมีนัก บ, บวชที่ไม่เข้าใจก็เลยมีบวชเพื่อเลี้ยงชีวิตอุปชีวิกาบวชสมัครเล่นอืุปกีกาบวนลุ่มหลงอุปมวยฮากาบวชประทุษร้ายทําลายาศาสนาะโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้หรือเรียกว่าอุปธูสกาแล้วสุดท้ายอปนิสสารนาอปนิสสาริกานะบวชเพื่อออกจากกองทุกไม่ใช่ทุกเพราะไม่มีเงินไม่มีทอง ทุกเพราะจิตใจถูกบีบคั้นด้วยความรักความโกรธความเกลียดความเคียดความชังความดีใจความเสียใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้ามองรอบด้านจิตใจไม่เป็นอิสระจิตใจไม่หลุดพ้นจากองค์ขังของสิ่งเหล่านี้ก็เลยบวชเพื่อจะพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นเนี่ยบวชโดยวิธีใดเอาละสุดท้ายบวชโดยวิธีใดวันนี้จะพูดประหยัดประหยัดน่อยเวลาจะหมดวิธีใด เอาไว้่ายบวชถ้าจะว่าตามพระธรรมวินัยมันก็นมีอยู่หลายวิธีสมัยพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้าเอฮีพิคุประสัมปทาพุทธเจา้าท่านบอกมาบวชมาสัสมัยนี้หมดแล้วนอกจากโพธิรักบวชกันเองไปเอฮีพิคุ <c oughs> อันนี้ก็หากันไฟอุตริทํากันไปเองต่อมาก็ติสระมณูติสระมณูประสมปทาเข้าถึงพระศานาปรเป็นการบวชในสมัยนูน้นต่อมาเมื่อสงมากขึ้นพุทธเจ้ามอบอํานาจให้แก่สง คลุกตาสังฆทานาอำนาจต้องเป็นใหญ่ก็เลยให้บวชกันเป็นมูมูเเรียกว่ายติจรรยเจตุทะตัมอุปสมบทาส่วดยติเรามีอนุสาวนาจารย์กรมาวาจารย์มีอุปชาจารมาอย่างพวกวันนี้อันนั้นเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมที่นําเข้าสโสมโหแต่อีกส่วนหนึ่งนี่มันเนื้อพิธีเนื้อพิธีคืออะไรถ้าบวชเพื่อจะออกจากคุกจริงๆ มันก็มีอยู่สองสองวิธีคือบวชกายห น, นึง่งบวชใจอันหนึ <c oughs> ช่วยฟังให้ดีบวชทางใจไม่ต้องออกแกวบ้านจากช่องอยู่ในบ้านในช่องแต่ประพฤติ ท, ทำทำลายความยึดมัน่นถือมั่นทําจิตใจให้สะอาดสว่างสงบทำลายความเห็นแก่ตัวทาลายความโลภความโกรธ ค, ความลง พยายามฝึกจิตให้มีสมาธิ ท, าทุกเช้าทุกเย็นทุกวี่ทุกวันมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อจิตสงบพอได้ที่ก็พยายามสังเกตจอบซอมบืงจิตใจเจ้าของเวลาใดมันคิดยังไงมันโกรธยังไงมันเกลียดยังไงมันรักยังไงมันพอใจไม่พอใจยังไงก็ดูมันอ่านมันให้เก่งๆเหมือนอ่านหนังสือเก่งๆ สุดท้ายก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดนั่นมันมีเวทนามีความพอใจไม่พอใจเห็นเบื้องหลังของของเวทนาอีกทีนึง่งเห็นจิตใจที่มันปรุงแต่งเป็นเพียงธรรมชาติที่มันคิดไปมีสติแจกะกะ้าจนไม่เป็นเจ้าของอารมณ์ใดๆให้มันคิดไปให้มันเห็นไปให้มันได้ยินไปได้กินไปก็ผ่านไปผ่านไปนัง่งดูนอนดูเดินดูทํางานดูจิต ด, ดูใ จ, ใจตนเองอ่านหนังสือ ใจให้มันเก่งๆอ่านใจให้มันเก่งๆต้นไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์อย่างนี้จิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นความทุกข์ก่อน้อยลงน้อยลงมีอะไรมาให้รักก็รักยากมีอะไรมาให้โกรธก็โกรธยากมีอะไรมาให้เกลียดก็เกลียดยากมีอะไรมาให้กลัวก็กลัวยากมีความรักน้อยกอดน้อยเกลียดน้อยกลัวน้อยลงน้อยลงความทุกข์ก่อนน้อยลงน้อยลงจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นถึงจะอยู่ในบ้านจิตใจมันก็บวชก็บวช อย่างนี้เรียกว่าบวชใจในสมัยพุทธกาลเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอยู่บนบ้านเ ย, ยอะแยะอนาถบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาประเจัาพิมพิสารประเจาสุธโธธนคติการะช่างหม้อเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นพระอริยะอยู่ในบ้านทั้งนั้นนอนกอดลูกกอดเมียก่อดผัวเป็นโสดาบันพระเทวทัตบวชมาเป็นสิบสิบปีมาทําลายสงให้แตกกันขอวัตถุห้าประการไม่ให้กินเนื้อกินปลากินเจจนตายพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เลยตอกลิ้มประกาศว่าพระพุทธเจ้าไม่เข่งใครอยากแกถูกแกต้องให้มาอยู่กับข้าพเจา้าทําให้สงแีกแตกกันตั้งห้าร้อยลงไปกับเทวทัตคล้ายๆกับที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันพวกอกินจงกินเจสันติอโศกทุกวันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเทวท่านนั่นเองมีทั้งฤทธิ์ทั้งเดชมีทั้งสติปัญญาแต่ไม่สามารถชำระกิเลสเป็นโซดาบันได้ในที่สุดก็ตายเป่าเปล่ า, ารากเลือดอาเจียนเสียใจเพราะทิฏฐิมานะมากเอาเหตุลูกหากลับใจไปนับถือพุทธเจ้าตนเองก็รากเลือดอุน่นหั่นโลโ ล, โลฮิตังมุขคโตเลือดอุนอ่นอุ่นทะลักออกที่ปากตายไม่ใช่แผ่นดินสูบตายนะในอธิกร า, าบอกว่าแผ่นดินสูบความจริงใน ว, วัาแรกวีดโวบอกว่าเสียใจมากมารากเลือด อาเจียนกับอักเลือนเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นมากให้ระวังให้ดีเพราะนั้นคนที่อยู่บ้านไม่ได้บวไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีสติไม่มีปัญญามากอกอกเท่ากับเทวทัตแต่สามารถเป็นพระโซดาบันได้เป็นสกิทาคามีได้มีรัวมีเมีอยอย่างนายคติการะช่างหมอ้อนะเป็นอาณาคามีอาาคามีเลยปั้นหมอ้อขาย เลียงแม่ตาบอดจะบวชก็ไม่บวชแม่ของฉันตาบอดก็อาศัยเสียดายไปไม่ได้อาศัยเลี้ยงแม่แม่จะอยู่กับใครตัวเองเป็นทั้งขนาดว่าอเนช า, ามีนะจวนเยนนนะน็นอรหันแลนู่นนี่นั่นเรียกว่าบวชใจบวชใจส่วนบวชกายไม่ยากดรอกมีผ้ามีบาตมีอะไรพ่อแม่พาไปหาโอปชาท่านก็บวชให้วันเดียวก็เป็นพระแลว้วแต่จิตใจยังไม่บวชบวชกายนั่น ยังไม่บวชใจก็มีบวชใจยังไม่บวชกายก็มีถ้าอยจะให้บวชทั้งกายบวชทั้งใจเอาละที่นี้เราจะเอาอยัางไงในเมื่อว่าในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมยัวย่วย้อมมอมเมาจิตใจสภ า, ภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนเป็นพิ ษ, เ ป, พษเป็นภัยแก่เจ้เจ้าใจก็เลือกเอาเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะบวชสักสามเดือนก็จงไปจะหัดบวชอย่างประหยัดไม่ต้องครบเงนินไม่ต้องเสียงเงินเสียทองเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาจั่งนังจัง่งละครมาเฟสม า, ง า, มาเงันมาแห่แหนเตนแต่เธอะ ข้าเป็นข้าราชการก็เขียนจดหมายเขียนหนังสือลาเมื่อได้รับอนุมัติถ้าจะเอาเงินไปจ้างหนังจ้างหมอลำเอาไปทําบุญสนโทรท า, านเอาไปช่วยสาธารณะกุศลจะไม่ดีกว่าเลย <c oughs> ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลที่บวชได้ทั้งบุญทั้งกุศล ท, ท, ที่เราจะต้องทําบุญเสียเงินอย่างอื่นไปซื้อเราซื้อยาซื้องวงซื้อควายมาฆ่ามันไม่มีประโยชน์